เจริญพรท่านพุทธศาสนิชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆุท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้มาที่วัดเพื่อมาปฏิบัติมาบำเพ็ญกิจของพุทธศาสนิกชนตามแนวทางที่พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามเพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ที่เพิ่งที่แท้จริงที่เราสามารถฝากเป็นฝากใจไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจแล้วก็จะเหมือนกับมีเกราะคุ้มกันความทุกข์ต่างๆภัยอันตรายต่ตางๆก็จะไม่มาเหยียบย่าทำลายจิตใจของเรา ให้เจ้าเสกเสียใจให้กังวลให้หวาดกลัวนี่คือสาระที่พวกเราทั้งหลายยึดเป็นที่พึ่งของจิตใจเราจึงมาบำเพ็ญตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเป็นการสร้างสาระให้กับจิตใจนั่นเองสาระที่เรารู้จักกันนั้น ยังไม่ได้เป็นสาระที่แท้จริงของเราเช่นเรารู้จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเจ้าชายกิต ธ, ธิชะได้ออกบวชบำเพ็ญเพียรอยู่หกปีจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกให้สัตว์โลกได้นำเอาไปประพฤติธปฏิบัติผู้ที่มีศรทัทธาความเชื่อ นำไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมากลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาทั้งสามองนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้กล่าวถึงนี้เป็นสารณะที่อยู่ข้างนอกเราเพียงรู้จักว่าเป็นใครเป็นอย่างไรแต่เรายังไม่สามารถ ให้สารณะทั้งสามที่อยู่ข้างนอกนี้มาปัดเป่ามาความจัดคาจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้เพราะสารณะที่แท้จริงนั้นต้องเกิดในใจของเราเกิดจากการสูกฝังด้วยการศึกษาต่ะทำกรรมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมา ป, ปฏิบัติ เมื่อนำปฏิบัติแล้วเราก็จะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราเมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นในใจแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะถูกทําลายไปหมดจิตใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพลาดจากกันความทุกข์เหล่านี้จะไม่ได้มีผลกระทบ ก, กับจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นมีเกราะคุ้มกันคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเราจึงต้องหมั่นมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างพระรัตนตรัยศาสณะ ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายเป็นต้น ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องดับไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครตายเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่ประกอบขึ้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วมันก็เข้ามาเป็น ผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็กนกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วก็เป็นไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดสภาพไปก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำหลงไฟต่อไปร่างกายนี้จึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่บินน้ำหลมไฟเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง ดมันก็ต้องดับไปเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเมื่อรถยนต์มันเสียมันวิ่งไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งมันไปแต่คนขับนั้นไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ฉันใดจิตใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายคนเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายนี้เป็นลูกน้องของใจ ใจเป็นเจ้านายเป็นคนขับเป็นผู้สั่งการร่างกายจะทำอะไรได้ต้องมีใจเป็นผู้สั่งการอย่างวันนี้ญาติโยมจะมาวัดได้ต้องใจต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะมาวัดแล้วก็สั่งให้ร่างกายเดินมาที่วัดถ้าใจไม่สั่งการก็จะไม่มาที่วัดนี้ได้ถ้าใจไปคิดว่าถ้าใจสั่งให้ไปที่อื่นร่างกายก็ต้องไปที่อื่น ร่างกายนี้จึงไมจง่จึงเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่คนขับรถยนต์จะสั่งจะบังคับให้ไปตามทิศทางที่ต้องการจะไปดังนั้นร่างกายจึงไม่ใช่เป็นตัวสำคัญอะไรตัวที่สำคัญที่แท้จริงก็คือจิตใจเพราะจิตใจจะเป็นตัวทุกข์จะเป็นตัวสุขกับเรื่องราวต่างจิตใจเวลาได้อะไรมา ก็จะดีอกดีใจมีความสุขเวลาเสียอะไรไปก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ความจริงแล้วใจไม่ควรที่จะต้องไปดีใจหรือไปเสียใจกับอะไรเลยถ้าฉลาดถ้ารู้ทันว่าเวลาได้อะไรมาสักวันหนึ่งก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปดังนั้นเวลาที่เราได้อะไรมาแล้วเรามีความดีอกดีใจ เวลาเราเสียไปเราก็จะเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราได้อะไรมาแล้วเราไม่ได้ดีอกดีใจเรารู้สึกเฉยเฉยเวลาสิ่งนั้นจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นนั่นเองปัญหาของพวกเราก็คือเรายังหลงอยู่เรายังให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ กับคนนั้นกับคนนี้คิดว่าเขาเป็นตัวเป็นตนแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงดินน้ำลงไฟเท่านั้นเองคือร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นดินน้ำลงไฟแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นดินน้ำลงไฟใจเป็นธาตรู้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รับรู้เรื่องต่างๆที่ขณะนี้ ร่างกายได้ยินได้ฟังเสียงแล้วก็ส่งไปให้ที่ใจทินถ้าไม่มีใจร่างกายก็จะร่างกายก็จะไม่สามารถส่งอะไรไปให้กับใจได้ร่างกายก็จะเป็นเหมือนซากศพเวลาคนที่ตายนั้นเป็นร่างกายที่ไม่มีใจอยู่แล้วใจได้ออกจากร่างไปไปสู่ที่ใหม่ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกับคนตายพูดไปจนวันตายเขาก็จะไม่ได้ยินเพราะผู้ที่จะได้ยินเสียงผู้ที่จะรับรู้เสียงนั้นก็คือใจไม่ได้อยู่กับร่างกายนั้นแล้วคนตายถ้าปล่อยให้ทไว้อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นจะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนถ้าไม่มีใครมาขยับเขยื้อนให้มันก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะ สลายไปในที่สุดสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปร่างกายจึงไม่ใช่เป็นตัวที่สำคัญอะไรตัวที่สำคัญก็คือตัวใจตัวใจที่สุขที่ทุกข์กับร่างกายนี้เองถ้าใจฉลาดใจมีธรรมะใจก็จะรู้ทันธรรมชาติของร่างกายแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป ไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราหรือตายไปใจก็จะไม่ร้องหผงร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ใจนี้เป็นสิทธิ์ที่ไม่ตายถ้ายังไม่ได้ สร้างสารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาอยู่ในจิตในใจจนครบสมบูรณ์แล้วใจก็ยังมีเชื้อที่จะพาให้ไปเกิดต่อไปเกิดที่สูงบ้างไปเกิดที่ต่ำบ้างที่สูงก็เช่นไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ที่ต่ำก็ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกเป็นตามเป็นไปตามบุญตามกรรม ถ้าเป็นบุญก็จะส่งให้ไปที่สูงถ้าเป็นบาปก็จะส่งให้ไปที่ต่ำเป็นเหมือนกับตั๋วเรือบินเวลาเราเดินทางเราก็ต้องมีตั๋วเรือบินถ้าไม่มีตั๋วเรือบินก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ถ้ามีหนี้มีศินไม่มีเงินไ ป, นไปซื้อตั๋วเรือบินก็ต้องเดินไปขึ้นเรือบินไปไม่ได้คนที่มีบุญก็เป็นเหมือนกับคนมีเงินซื้อตั๋วเรือบินได้บินไปที่สูง ส่วนคนที่มีหนี้มีสินทำบาป ท, ทำกรรมก็จะต้องเดินไปไปสู่ที่ต่ำนี่เป็นเรื่องของใจหลังจากที่ร่างกายได้แตกสลายไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นทำความดีหมั่นทำบุญทำทานหมั่นละการกระทำบาปด้วยการรักษาสินรักษาสินห้าสินแปด สินสองรอยยี่สิบเจ็ดเป็นการป้องกันไม่ให้ใจตกไปที่ต่ำเพราะถ้าเราไม่ไม่รักษาสินแล้วใจเราไปทำบาป ท, ทากรรมก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปในอนาคตหลังจากที่ตายไปแล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปทากิจสินผิดธรรมตายไปก็ไม่ต้องไปใช้หนี้ไม่ต้องไป เกิดในที่ต่าได้ไปเกิดในที่สูงได้จะไปเกิดในที่สูงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงที่สูงสุดคือพระนิพพานที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตในใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่จะเป็นผู้นำพาเราไปสู่จุดสูงสุดของของชีวิตจิตใจ สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่การสิ้นสุดแห่งการพัดพากจากกันจะไม่ต้องไปพัดพากจากจา ก, กันกับใครอีกแล้วเพราะเราไม่ได้ไปเกิดไม่ได้ไปเป็นกับอะไรกับใครแต่ถ้าเรายังเกิดอยู่เมื่อเราเกิดมาเราก็จะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง มีเพื่อนมีผูแล้วไม่นานต่อมาคนเหล่านี้ก็ต้องจากเาไปทีละคนสองคนพ่อจากไปแม่จากไปพี่จากไปน้องจากไปเพื่อนจากไปแล้วในที่สุดเราก็จากไปนี่เป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนี้ถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ สร้างสา ร, ระคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในจิตในใจของเราเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ถ้าเราบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในที่สูงในที่ดีจะเกิดจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทพกับพรหมวนเวียนกันไปอยู่เรื่อย จนกว่าจะถึงพระนิพพานดังนั้นเราจึงต้องน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติท่านสอนให้เราทาความดีเราก็ต้องหมั่นทาความดีอยู่เสมอเป็นคนดีเป็นคนมีความเมตตากรุณาอย่าเป็นคนใจโหดร้ายทารุณอย่าเป็นคนใจแคบอย่าเป็นคนใจไม้ไส้รกรรม ให้เป็นคนใจกว้างยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นยินดีที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นนี่คือความดีที่เราควรจะกระทาอย่างสม่าเสมอแล้วก็ให้เราละเว้นจากการกระทาที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะคือไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปไปพูดผิดกะเวนีไม่ไปพูดปดพสเท็ไม่ไปเศสศรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรและไม่เกียดคร้านเพราะการกระทําเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะฉุดลากให้เราไปสู่ที่ต่ำพาเราไปสู่ความทุกขความเสียหายต่างๆ ถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้ผลเสียหายคือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นกับใจของเรานี่เป็นหลักธรรมเป็นความเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงได้รู้ถึงอย่างอย่างชัดอย่างชัดเจนไม่สงสัยเลยว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วได้ชั่วนี้จะไม่เป็นความจริงจะไม่สงสัยเลยเพราะเห็นอย่างชัดเจนแล้วจากการปฏิบัติของตนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าอยากจะได้ดีมีความสุขมีความเจริญก็ต้องหมั่นทำความดีถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์มีความ วุ่นวายใจก็อย่าไปทาบาปทํากรรมอย่าไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะความหลงนี่ก็เป็นความชั่วอีกแบบหนึ่งเป็นความชั่วทางจิตใจเรียกว่าเป็นอกุศลความหลงนี้ทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจเพราะเราหลงยึดติดสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้ว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นเอง เราแต่ไปมองว่าอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงทุกอย่างเป็นสมมุติเท่านั้นเองเราสมมุติว่ารถคันนี้เป็นของเราบ้านคันนี้เป็นของเราร่างกายร่างนี้เป็นของเราแต่มันก็เป็นของเราได้ไม่นานเพราะมันจะต้องเสื่อมไปกับการกับเวลา เมื่อมันเสื่อมไปแล้วมันก็สลายหายไปหมดไม่มีหลงเหลืออยู่เลยในตัวเราดูดูผู้บรรพบุรุษของเราที่เขาตายไปหมดแล้วร่างกายของเขากลายเป็นขี่เท่าที้ฐานกลายเป็นขี่ดินไปหมดแล้วแล้วตัวของเขาอยู่ตรงไหนมันไม่มีมันเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองเราสมมติว่าร่างกายของเขาเป็นปู่ยา่าตายายเป็นบรรพบุรุษของเรา แต่ความจริงมันเป็นเพียงก้อนดินน้ำลงไฟเท่านั้นเองแต่ใจของเขานั้นยังไม่ตายใจของเขาก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเราในขณะนี้ก็ได้ถ้าเขาตายไปหลายหลายปีแล้วแล้วถ้าเขาทำบุญมาตลอดเวลาเขาก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในนรกก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในเวลาอัานไม่ ไม่นานเลยก็ได้ก็อาจจะกลับมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอีกดังนั้นขอให้เราจงอย่าไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนขอให้มองว่าร่างกายนั้นเป็นเพียงรถยนต์คันหนึ่งที่เราใช้อาศัยเดินทางไปไหนมาไหนถ้ารถถ้ารถยนต์มันเสียมันพังไปเราก็หาซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อร่างกายนี้แตกดับไปเราก็หาร่างใหม่ได้ขอให้เราทําบุญทำกุศลไว้มากๆ ก, ก็แล้วกันแล้วเราจะได้กลับมาเกิดได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีผิวพรรณที่ผ่องใสกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญ บุญกุศลความดีงามทั้งหลายดังนั้นเราจงเราอย่าไปตื่นเต้นกับการพัดกจากันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องคนที่ตายไปก็เหมือนกับเขาย้ายบ้านไปไปหาบ้านใหม่อยู่คนอยู่ก็อยู่กันต่อไปไม่ต้องมาร้อ ง, องห่มร้องไห้ไม่ต้องมาเศร้าสเสียใจเพราะไม่ได้ไปทำอะไรให้มันดีขึ้นมานั่นเอง คนตายยังไงก็ต้องตายไปอยู่ดีคนอยู่นี่สำคัญกว่าคนอยู่จะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ถ้ามีความนุ่มหลงก็จะอยู่แบบทุกข์คิดถึงคนที่ตายไปแล้วอยากจะให้คนที่ตายไปแล้วกลับมาอีกอยากไปจนวันตายเขาก็ไม่กลับมาถ้าเขากลับมาเราก็จาเขาไม่ได้เพราะเขามีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนเดิมเพราะเราไปหลงยึดติดตัวของเขาอยู่ที่ร่างกายของเขา คามจริงตัวของเขาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจแต่ใจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อเท่านั้นเองเราต้องใช้ปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเกิดจากการนั่งสมาธิจะทําให้เราเห็นใจได้ให้รู้ว่าใจเป็นอย่างไรถ้าเรามีพลังจิตสูงสเช่นพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นเขาไปถึงไหนแล้ว ไปเกิดที่ตรงไหนแล้วแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องศึกษาเราต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆใ น, ในขณะนี้เรายังไม่มีก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าวไว้ก่อนเหมือนกับคนตาบอดเชื่อคนตาดีเราจะถ้าคนเราเป็นคนตาบอดเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็ต้องอาศัยคนตาดีพาเราไปจันใดตอนนี้เรายังมืดบอดด้วยความนุ่มหล ยังเห็นผิดเป็นชอบยังเห็นตัวต น, นในสิ่งที่ไม่มีตัวตนยังเห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังเห็นความสุขอยู่ในสิ่งที่เป็นความทุกข์อยู <sm <sm ่เราจึงต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้พาเราไปให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้นั้นก็ไม่เที่ยงแท้สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นก็เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็น เป็นไม่มีตัวตนจริงๆเหล่านี้เราสามารถเห็นได้ถ้าเรานําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นสอนให้ไหว้พระสวดมนต์ให้นั่งทําสมาธิแล้วให้เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาให้พิจารณาถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์ว่าไม่มีตัวตน ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาตาตาในของเราคือใจของเราจะสว่างสวัยขึ้นมาถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็เรียกว่าได้บรรลุธรรมถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ตัดสรลูได้เห็นความจริงของชีวิตเราเห็นกายเห็นใจเห็นกายว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นใจว่าเป็น เป็นผู้รู้เป็นคารู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามอำนาจของความหลงของของความโลภของความอยากเท่านั้นแต่เมื่อใจนี้ได้รับการชำระด้วยด้วยธรรมะคือแสงสว่างแห่งธรรมแล้วใจก็จะไม่หลงอีกต่อไปเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปจะไม่ไปเสีย อ, อกเสียใจกับ กับการตายของคนนั้นของคนนี <nei>. oh ้เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรตายนั่นเองใจก็ไม่ตายร่างกายก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนร่างกายก็เป็นเพียงเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองเวลารถยนต์มันทางไปเราก็ไม่ได้ไปเสียอกเสียใจอะไรกับมันดันใดร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลามันแตกมันดับไปเราก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรกับมัน เรารู้เราเข้าใจว่าเจ้าของร่างกายนั้นเขาไม่ตายเขาไปเกิดใหม่แล้วเขาจะไปเกิดที่สูงที่ต่ำก็อยู่ที่บุญกรรมที่เขาทาไว้ไม่มีใครช่วยใครได้ในเรื่องภพชาติเราต้องช่วยตัวเราเองเราเป็นที่พึ่งของเราเองอัตตาหิอัตโนนาโถถ้าเราทำความดีอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ไปเกิดที่ดีอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราไม่ทำความดีทำแต่บาปแต่กรรมเราก็จะต้องไปเกิดในที่ต่าอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันไม่มีใครห้ามไม่มีใครยับยั้งได้มีตัวเราเท่านั้นที่จะห้ามหรือยับยั้งได้ด้วยการไม่กระทำบาปในขณะนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองนี่คือความจริงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ได้เห็นได้รู้ได้เห็น แล้วก็ได้นําเอามาประกาศสั่งสอนพวกเราพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเชื่อเราก็จะมีโอกาสได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกได้รู้ได้เห็นแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็จะมืดบอดไปตลอดก็จะไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่คือเรื่องของเราที่เราจะต้องเลือกเอาว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราอยากจะไปทางสว่างไปทางไปทางที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เราก็ต้องเชื่อต้องสั่งของพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตามต้อง ท, ทําบุญทำทานต้องรักษาศีลต้องไหว้พระสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพียงแต่ว่าใครจะเป็นก่อนใครเท่านั้นเองใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนใครใครจะตายก่อนใครเท่านั้นเองแต่ความแต่ไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็จะตอมเป็นเหมือนกันหมดช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องตื่นเต้นหวาดกลัว อ, อะไรเพราะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ไปกระทำร้าย จิตใจของเราแต่ใจของเรานี่กํำลังทำร้ายตัวเราเองด้วยความหลงเพราะหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราพอร่างกายจะเป็นอะไรขึ้นก็เกิดความหวาดวิตกเกิดความหวาดกลัวเพราะไม่อยากจะให้มันเกิดเราไปอยากในสิ่งที่มันจะเกิดเราจะไปไม่อยากในสิ่งที่มันจะเกิดไม่ได้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเรายอมรับความจริง มันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปมันจะตายก็ให้มันตายไปแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะอยู่อย่างปกตินี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการสร้างพัศนณาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจดังที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทากันเป็นประจำ เรากำลังมาสร้างที่พึ่งของทางของไม่จิตใจนั่นเองในยามที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแต่ถ้าเราไม่สร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราจะวุ่นวายใจเราจะทุกข์ใจมากจะกินไม่ได้นอนไม่หลับดีไม่ดีอาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ คนที่ต้องฆ่าตัวตายก็เพราะไม่มีสลรณะอยู่ในใจนั่นเองเวลาสูญเสียอะไรไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมทั้งๆ ท, ที่ชีวิตยังยังดีอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถหาสิ่งใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อยู่แต่ก็ความหลงทําให้หมดกําลังจิตกําลังใจขาดสลรณะขาดที่พึ่งนั่นเองจึงของให้พวกเราจงอย่าประมาท อย่าม้อย่าไปเห็นว่าพระพุทนพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตจิตใจของเราที่เราควรที่จะสร้างให้ขึ้นมารักษาป้องกันชีวิตจิตใจของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายปราศ จ, จากความทุกข์ทั้งหลายจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อเสริมสร้างสาระที่พิ่งทำจิตใจไว้ปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจก็ขอให้ท่านจงทําปฏิบัติไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลนดับจนถึงจุดสูงสุด ดังที่พระพุทธแนละพระพุทธเจ้าและพระธรรมพร ะ, พระอะหรหันตสาวกได้ดำเนินไปถึงจะเป็นสมบัติของเราอย่างแน่นอนการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยิดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรันาตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาประทํากันในวนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค็งข้ า, ขาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ